ทำงานหนักพร้อมเปิดใจฟังคนอื่นปฏิเสธเป็นตอบตกลงเป็นจะเปลี่นประกายหน้าคบมากคนเราเมื่จะหลงนึกทึกทักว่าให้มากๆยอมมากๆคือการเป็นคนดีน่าจะเป็นที่รักของใครใครข้อเท็จจริงคือให้มากๆยอมมากๆไม่ได้เปลี่งประกายคนหน้าคบ แต่ใช้แววหงอหน้าหลอกใช้หรือหน้าปั่นหัวกันมากกว่าเรียกว่าบุคลิกหลอกง่ายจะไปกระตุ้นอารมณ์ดิบๆเถื่อนๆอยากเป็นเจ้าใหญ่ในโตให้กับคนรอบข้างขึ้นมาอาจได้กระตุ้นอารมณ์รักใคร่นับถือแต่ยังใดไม่คนที่คิดว่าตัวเองใจดีที่แท้อาจจะแค่ใจอ่อนและอ่อนในทางอ่อนแอ ไม่ใช่อ่อนโยนคนอ่อนแออยู่ที่ไหนอย่างไรก็ต้องพบกับสัจธรรมของความอ่อนแอคือถูกมองเป็นไก่อ่อนยอมให้บีบง่ายน่ารังแกหน้าให้คบหวังเอาผลประโยชน์น้อยครั้งจะเจอใครมาหาเพราะหวังมอบอะไรดีๆให้ออร่าแบบที่ทาให้คนอื่นเกิดความรู้สึกว่าคุณใจดีและหน้าคบนั้น ที่แท้ต้องมีองค์ประกอบหลักคือความเข้มแข็งแบบคนทำงานหนักอยู่ใกล้แล้วสัมผัสได้ถึงความเป็นผู้นำมีเป้าหมายมีความสามารถริเริ่มมีพลังบันดาลใจทำอะไรดีๆให้เกิดขึ้นได้จริงเวลาฟังใครฟังด้วยสายตาเปิดใจรับเวลาตอบตกลงไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวลาปฏิเสธ ไม่ใช่เพราะเล่นแง่พูดง่ายๆถ้าคนดูมีพลังและดูพร้อมจะให้อย่างสมเหตุสมผลเสมอคนถึงจะรู้สึกว่าคนใจดีไม่ใช่ใจอ่อนไปที่ไหนใครก็อยากคบทำงานที่ใดก็เหมือนเป็นแม่เหล็กดูดคนดีๆเข้าหาและการมีสมาธิกับงานไม่วอกแวกไม่เหลวไหล สะสมมากแล้วก็จะเป็นตบะบารมีให้คนนึกเกรงใจได้ต่านจัดบางคนถึงแม้ใจดีแต่ขี้เกียจก็ไม่น่าเกรงใจขาดพลังต่อรองกับพวกขี้ขอเมื่อเข้าใจเหตุผลตามนี้คุณจะไม่สับสนว่าทำไมทำดีไม่ได้ดีทำไมตัวเองใจดีแล้วทำให้คนอื่นยิ่งได้ใจ คุณกระจ่างว่าถ้าดีถูกจุดอะไรๆจะดีหมดและยิ่งท่าใจดีเป็นก็จะได้ใจคนในแบบน่าเกรงใจด้วย